อย่างพ่อแม่บางคนนะที่มีในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเขาตั้งเป็นปัญหามาถามเ้าบอกว่าเขาเนี่ยมาทำงานในกรุงเทพเงินเดือนนี่หมื่นกว่าบาทพ่อแม่เนี่ยไปเที่ยวเป็นหนี้เป็นสินเดือนละสองสามหมื่นบาทเนี่ยนี้แล้วก็ขี้เล่าเมายาเล่นการพนันเนี่ยก็แล้วก็มาของเงินลูกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนีถามว่าผู้ที่เป็นลูกจะคิดยังไง ผู้ที่เป็นลูกก็ทุกข์มากมากก็เลยเขียนปัญหามาระบายว่าใครหาทางออกให้ทวีว่าจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงเนี่ยนะพ่อแม่ขี้เล่าเมายาเล่นการพนันติดเนี่ยนะคือก็ตั้ ง, ต, งตั้งตัวขูดรีดลูกจริงๆนะอ่ะนะต่ตรงนี้เนี่ยสหรับลูกบางคนที่เรียกว่ากระตันยูรู้คนเนี่ยก็ค่อนข้างหนักใจมากเลยว่าว่าจะทำอย่างไรในการที่กล่าวว่าการสงเคราะห์ พ, พ่อแม่เนี่ยนะ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 บ้านใกล้ๆเนี่ยในหมู่บ้านนี่แหละลูกน้องผู้การนี่แหละมันมีอยู่คนหนึ่งลูกเขาบวชเป็นเนนนะพ่อเขาปกติก็ขี้เมาย่ําเปย์นั่นนะเสร็จแล้วก็บอกว่านี่ยมยมไม่สงสารลูกบ้างเลยเลยเนี่ย น, นะลูกไปบวชแล้วพ่อขี้เหล้าอยู่บ้านเนี่ยนะแล้วก็ลูกก็บวชไปเนี่ยนะแล้วลูกจะให้ลูกเขาคิดยังไงเวลาไปเจอเพื่อนพระเพื่อนเนรว่านะโอ้พ่อฉันมันขี้เหล้านะจะบอกว่าเท่ไหม ไม่ได้เทอะไรเลยนะทุกโทมนัดบ้างฮะลูกก็ถือว่าเป็นปมด้วยมีปมด้วยนะเพราะว่ามีพ่อแม่ที่ไม่ตั้งอยู่ในในศีลธรรมเนี่ยนะเพราะนั้นทีนี้เขาก็โยมคนเนี้ยเขาฐานะเป็นลูกด้วยเขาเป็นพ่อด้วยทีนี้เขาก็มีพ่อที่เราเหมือนกันอ่ะแล้วแล้วโยมเวลาเห็นพ่อยมกิดเราเนี่ยยมว่าไงยมคิดยังไงผมก็ตุกขณาเลยครับเพราะผมบู๊จะจะทําจะได้วกว่า็ทุกของเขาเหมือนกันอ่ะนะ ก็บอกอแล้วโยมถ้าโยมที่เลาเมายาแล้วลูกโยมจะคิดยังไงเออมันก็เหมือนกันเนาะาอกงั้นนี่นี่อาจารย์ผมลดมาห0แสิวเปอร์ซ็นตแล้วนเนี่ยเขากงั้ น, นก็เอาให้มันถึง100ร้อยเธอลูกหลานจะได้มีความสุขบ้าง่ะนะก็กน่าเห็นใจนะพันธพ่อแม่บางคนก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมอะไรทำตัวเครียกว่ากลับไปเป็นทารกใหม่เสียจแล้วเนี่ยนะทีนี้เป็นทารกที่อยู่ในฐานะฐานะอะไรฐานะพ่อแม่อ่ะ นิสัยเหมือนเด็กทุกเรื่องเลยแต่ว่าฐานะพ่อแม่ซึ่งถ้าเป็นผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงดูลูกทำไมมันในฐานะลูกจะตีก็ได้จะดุ ก, ก็ได้อะไรก็ได้มันก็ไม่มีโทษมีภัยอะไรแต่ถ้าตั้งอยู่ในฐานะพ่อฐานะแม่เนี่ยนะขอร้องก็แล้วอ้อนวอนก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยนะนผู้ที่เป็นลูกทั้งหลายก็นับว่าหนักใจโขก็อย่างที่อัตมารู้จักเนี่ยนะลูกบางคนเนี่ยนะหนักใจกับพ่อแม่เป็นสิสปี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 นะให้เล่าให้บุหรี่เนี่ยนะไม่เป็นบุญแล้วก็เช่นให้สัตว์ผสมพันธุ์กันเป็นต้นเนี่ยนะให้ศาสตรายาพิษให้อาวุธการให้ประเภทนี้ไม่เป็นบุญตรงนั้นข้ามมีโทษเสอีกแต่ทีนี้ถ้าผู้ที่เป็นบุตรเนี่ยนะสำหรับพ่อแม่ที่แหมขี้เราขี้เราขี้เล่าเามาย่ําเปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่ลูกจะต้องหาสตังจ่ายเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะลูกก็ทุกโทมนัดมากข้าวปลาก็ไม่กินกินแต่เล่าอย่างเดียวเนี่ยนะ ก็ก็รู้จักนะนะข้างข้า ง, างบ้านก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ที่บ้านบางทีก็เป็นอย่างนั้นเออไม่ใช่บางนะหลายทีก็เป็นอย่างนั้นแล้วนะก็นับว่าหนักใจอยู่เหมือนกันว่าเ อ, อ๊จะทำยังไงพูดมากก็า บ, าบาปนพูดดีๆเขาก็เฉยไม่รู้เรื่องเองนับว่าทุกขโมยกันเนี่ยเอมายอบางทียังอธิษฐานเลยว่ยเจอกระชาิเดียวก็พอแล้วมั้งเจอกันบ่อยๆเดี๋ยววนี่จะบาปเยอะแล้วนะเนี่ย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 สงสัยได้การยานนมิตรหลายคนนะช่วยสงเคราะห์เลยอ่ะเชื่อไหมเขามาคุยกับยมพ่อมาเสประปตีแล้วไปไหนก็ไปเนี่ยนะดีไม่ดีหละฟังธรรมมากอะในห้องนี้ด้วยซ้ำไปนะไอเพราะว่าไม่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ยินก็ไม่ใช่โอ้ทั้งได้ยินได้ฟังสารพัดที่จะบ้านอะนะแต่ว่าเลิกไม่ได้เห็นนะอย่างบุรีนะโอ้ถ้าใครบอกให้เลิกได้นั้น จะขอบคุณมากๆเลยให้ขอบคุณวันละสามครั้งก็ยอมะนะถ้าให้แกเลือกได้นะบอกเมชายมพ่อเนี่ยเป่าบุรีไกลๆหน่อยเดี๋ยวมันเนี่ยมันจะหวัดลงคออีกแล้วเนะ <c oughs> วี่ยนั่นก็น่าเห็นใจนะข้อมาเนี่ยใชย้โอ๊ยขอร้องก็แล้วโอ้อนวอนก็แล้วโอ้หลายแล้วแล้วนั่นเนี่ย <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็ชักชักกะปกตินะพ่อแม่เขาเจริญอุเบกขาต่อลูกใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้ลูกชักจะเจริญอุเบกขาบ้างแล้ว มันกลับตลับปัดกันไปหมดแล้วตอนเนี้นึกถึงพ่อเมื่อไหรพ่อก็มีกรรมเป็นของของตอนนั่นแหละมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดินเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยพ่อจะทํากรรมอะไรวะก็รับกรรมของพ่อไปก็แล้วกันก็คุยกันก่อนแล้วแล้วก็บอกแล้วนะว่าพ่อเนี่ยทาบาปไว้เยอะแล้วนะฆ่าสัตว์เอาไว้เยอะเนี่ยนะพ่อเลี้ยงลูกแต่ก็มีนะก็ขอมากับยมพ่อเนี่ยบางทีคิดอยู่เรื่องหนึ่งนะสมัยเด็กๆ เ, เ, เนี่ยบ้านเรามันเป็น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 เนี่ยนะท่าวันนี้ประสบความสาเร็จไม่จะได้บูนิกมากเลยนะเนี่ยทีนี้กล่าวถึงกิจกรรม5้าอย่างในการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะทำกิจของท่านและการดำรงวงสกุลเป็นต้นอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการบำรุงนะช่วยเหลือกิจของท่านท่านมีกิจอันใด ท, ที่เราจะไปแบ่งเบาภาระที่จะรับภาระเหล่านั้นแทนท่าน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 ถ้าพ่อแม่บางคนที่มีบุญมากอยู่ในฐานะสูงในตำแหน่งสูงการทำดวดีๆของลูกไม่สร้างปัญหาไม่ติดยาเสพติดนี่ก็พ่อแม่ก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงส่งนะแค่นั้นก็นับว่ามีประโยชน์อย่างเยี่ยมแล้วการบำรุงนั้นเพึง่งทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์สุขในปัจจุบันห้าอย่างเพราะว่าพ่อแม่นี่ห้ามไม่ให้ทาบาปเป็นต้นดังที่พระผู้มีพระภาคสอนไว้ในสิงคาลกาสูตร แก่สิงคาละกะมานพว่าดูก่อนขึ้นหาบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงบำรุงด้วยสถานหานีนะลูกนะกิจของลูกอะหคืออะไรบ้างเราเราท่านท่านเนี่ยเลี้ยงเรามาแล้วเราก็จะเลี้ยงดูท่านะนนะก็เปลี่ยนกันเลี้ยงะนะคนละทีจากทํากิจของท่านจากดํารงวงศ์สกุลของท่านจากปฏิบัติตัวเหมาะที่จะเป็นทายาท ทายาทแปล ว, ว่าผู้รับมรดกนะทำสมควรแก่ผู้รับมรดกสุดท้ายเมื่อท่านล่วงลับดับขันคือตายไปแล้วจักทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้นะก็เพราะฉะนั้นขอมาที่รู้จักลูกหลายคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยเขาถือว่าภาระอย่างหนึ่งของเขาคือทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้แม่เพราะเขาถือว่ามรดกที่เขาใช้สอยอยู่ทุกวันนี้เป็นของพ่อของแม่เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะเอาสมบัติของท่านที่มีอยู่เนี่ย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 ก็ดูเวลาเวลาไหนที่เขาควรรับทรัพย์รับมรดกได้แล้วเป็นตน้นอันนี้ก็ผู้ที่เลี้ยงท่านตอบทํากิจของท่านดํารงวงสกุลปฏิบัติตัวที่เหมาะพอที่จะเป็นทายาทหรือเมื่อท่านล่วงรับดับขันไปแล้วก็ทําบุญอุทิศไปให้อันนี้ก็นับว่าเป็นการบํารุงมารดาบิดาอันนี้เป็นการบํารุงแบบธรรมดาทั่วๆไปนะ ชาติใดศาสดาใดก็ตามก็ขอให้บำรงลักษณะนี้นะซึ่งต่างประเทศบางทีเขาไม่ศึกษาธรรมะเขาก็ทาตัวลักษณะนี้อยู่แล้วนะแต่พิเศษสำหรับผู้ที่อยู่ในพระศาสนานี้ก็คือผู้ใดบำรงมารดาบิดาให้เกิดความเลื่อมใสในวัตถุทั้งสคือให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าให้เลื่อมใสในพระธรรมให้เลื่อมใสในพระสงฆ์และก็ให้ท่านเนี่ยถึงพร้อมด้วยศีลไอตรงเนี้ยทายาก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 พรา อ, อะไร พ, พ่อแม่ก็อย่างที่เขากล่าวผู้การกล่าวเมื่อกี้ใช่ไหมก็มองเห็นลูกเป็นลูกวันยังค่อม น, นั่นแหละ น, นะแล้วฐานะลูกเป็นผู้ที่ตั้งยืนให้เป็นผู้ให้โอวาตอะไรจะเกิดนะมันจะยากขนาดไหนเพราะไม่น่าหรอกท่านจึงบอกว่าบุญมอบแล้วเกินเนี่ยนะเพราะทํายากมเมื่อคืนนิยมก็ยังมาปาร์บเรื่องนี้อีกเหมือนกันใช่ไหมเก้าสิบกว่าแล้วก็ยังไม่ค่อยเอาเลยอย่างเงี้ยนะคงห่วงลู ก, กนั่นแหละแล้วแม่เก้าสิบเนี่ยลูกควรจะเท่าไหร่ดีนะ น, นะดูถ้าจะห่วงลูกมากแล้วเกินองเนย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 แต่สําหรับพ่อแม่ของบางคนนี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะนึกถึงพ่อแม่เมื่อไหร่โทรมานัดเข้ามาทันทีเลยนะเพราะว่าพ่อแม่บางคนก็ดังที่กล่าวไปว่าไม่ได้เป็นคนดีสมบูรณ์แบบอะไระอะไรเสมอไปเนยนะทนะุศีนก็นแล้วอะไรก็แล้วไม่ยอมฟังเหตุผลโดยประการทั้งปวงเนยนะนะ ถ, ถือในถือในศักดิ์ศรีในความเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเดียวเลยนะมีแต่เท่านั้นแหละอาจจะลื่นไม่มีหรอกอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าเห็นใจมากว่าคติของหน้าคติข้างหน้าของท่านจะเป็นอย่างไรเนาะ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 มันมงคลที่ 11-12 มงคลที่11ก็คือการบํารุงมารดามงคลที่12คือการบํารุงบิดาเนี่ยนะซึ่งสมัยนี้ด้วยเป็นสมัยที่หมู่ชนทั้งหลายหวาดระแวงในพระภิกษุเนี่ยนะพระภิกษุในยุคนี้เนี่ยประชาชนค่อนข้างหวาดระแวงเพราะฉะนั้นหานาบุญทําบุญไม่ค่อยได้ก็พ่อกับแม่เรานี่แหละทาไปเถอะแม้แต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเนี่ย เวลาคนเอาอาหารไปให้คนนั้นไม่เลี้ยงดูพ่อแม่พระองค์ยังกลับให้เอาอาหารนั้นไปให้พ่อให้แม่เลยเพราะว่าพ่อแม่นั้นถ้าบุตรไม่เลี้ยงแล้วใครจะเลี้ยงนะถ้าหากว่าลูกไม่สงสารแล้วใครจะสงสารเขาบอกว่ายิ่งคนสูงอายุเนี่ยนะก็นับว่าเป็นถือว่าเป็นคนที่อาพับใช่ไหมทางร่างกายอ่นนะทางร่างกายนี่ก็เสียหายไปทุกเรื่องทางจิตใจเนี่ย น, นะเอาเวลาที่ไหนไปคิดอริยศาสตร์พระโมทิตคิดถึงลูกตลอดเวลาเนี่ยนะ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 บรรลุมรรคผลฉันนั้นเนี่ยนะท่านพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยนะตรงนั้นน่ยคือสะพานแห่งการบรรลุมรรคผลการการออกจากวัตฏะในพระพุทธศาสนาไม่เหมือนศาสนาอื่นเนี่ยนะเพราะว่าคนที่ทําความผิดพลาดในวัตฏะออกจากวัตฏะไม่ได้อเนี่ยนะจะต้องทําตัวให้ดีเยี่ยมเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะปลดได้ง่ายๆนะไม่ง่ายถ้าหากว่าทําตัวผิดเช่นว่ามหาผู้ทั้งหลายควรพิจนารณาตามเป็นจริง แต่ไปพิจารณาด้วยโทรศัทก็ออกไม่ได้ไปยึดติดติดข้องก็ออกไม่ได้ไปโง่เขลาหลงงมงายก็ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีที่จะปลดเรื่องตนออกจากวัตฏะนี้ไม่ใช่คิดว่าไม่เอาแล้วก็พอไม่ใช่นะแต่ใช้สติใช่ปัญญาใช้เรี้ยวใช้แรงใช่ความบากบัน่นใช้ความอดทนเป็นอย่างมากแต่ถ้าทําอย่างนี้แค่ระยะหนึ่งก็พ้นทุกข์แต่ถ้าไม่ทำนะจาอดทนอยู่ในวัตะตลอดไปนะนะ ไม่ทนก็ต้องทนนะสมมติถ้าถ้าแขนขาดยังไงไม่ทนก็ต้องทนใช่ไหมเอามันขาดไปแล้วจะไปทำยังไงอ่ะนะถ้าอยู่ในวัฏตะนะยิ่งยิ่งจำต้องทนมากแต่ถ้าศึกษาดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามถ้าทำคำสอนทนครั้งเดียวแล้วพ้นเลยลนะก็ให้ใ ห, ให้ตั้งอัตตะสัมมาปณิที่เอาไว้ให้ดี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 ภาษาธิบรเนี่ยนะะเวียนไปสงเคราะห์แม่หลายครั้งไปเมื่อไหร่ก็ถูกด่ากลับมาะไปเมื่อไหร่ก็ถูกด่ากลับมาอาหารก็ให้แบบให้เทเสียทิ้งเสียเนี่ยนะก็ให้ด้วยด่าด้วยอย่างงี้ยนะท่านก็ไปมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าถามพระราหุลว่าพระาหลุลเธอไปบินท บ, บาทที่บ้านคุณย่ามาหรือเปล่าคือพระาหุลเนี่ยเรียกแม่ภาษาริบุตรว่าคุณย่านีนะเพ ร, ะพระาะภาษาริบทเอ่อพระราหลุลนับถือภาษาริบุตรประดุจพ่อเนี่ยนะ ก็บอกว่าไปมินทบาทบ้านคุณย่ามาไหมบอกไปแล้วคุณย่าว่าไงคุณย่าก็ด่าแล้วอุปชาของเธอว่ายังไงพระอุปชาก็เงียบพระเจ้าข่ามาันม <c oughs> านั้นก็ท่านก็วเวียนไปสงเคราะห์จนแม่อายุร2 0ปีเนี่นะแม่อายุร้อยีปีตอนนั้นท่านจะดับขันปริณิพานแล้วจึงสงเคราะห์แม่ได้แม่ของท่านนั้นมีอายุร้อปีตอนบรรลุนะแต่ก็นับว่าแข็งแรงกว่าลูกมาก พ่าแม่ลูกดับขันปาริณิพานพ่อแม่ก็ยังอยู่นะพ่อแม่นั้นก็ได้ฟังพระพุทธคุณจากภาษาลิบุตรเนี่ยนะฟังพระพุทธคุณจบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันก็ชื่อว่าเขาบอกว่าแค่เท่านี้ก็พอแล้วสําหรับค่าน้ํานมที่นางสารีเนี่ยเลี้ยงมาสารีนี่เป็นชื่อของสารีนี่แปลว่าสาระนะผู้มีสาระ ส, ส, ารสาระเนี่ยมาแต่ถ้าเป็นบุคคลก็เรียกเป็นสารี ผู้มีสาระเนื่องจากว่านางสารีคนนี้เป็นคนมีรูปสวยอย่างหนึ่งเป็นคนมีทรัพย์มากเนี่ยอย่างหนึ่งตระกูลสูงเนี่ยอย่างหนึ่งก็มีสาระอยู่3ามอย่างในตัวก็เลยเรียกว่านางสารีทัานบุตรของนางสารีก็เลยชื่อว่าสารีบุตรนี่นนะก็นางสารีเนี่ยมีลูกอยู่เจ็ดคนมีลูกที่เป็นพาระอรหันต์อยู่เจ็ท่านด้วยกันเนี่ยนะพระสาลีบุตรเนี่ยนะพระอุปเสนอุปเสนวังคันตบุตรอ่พาพระสาลีบุตรนะ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 พระผู้มีพระภาคก็ยังไปสงเคราะห์พระนางสิริมหามายาใช่ไหมด้วยการไปแสดงพระพิธีเจ็ดธรมภีร์เนี่ยนะเพื่อสงเคราะห์พระพุทธมารดาเทศติดกันอยู่สามเดือนเนี่ยนะสงเคราะห์แม่เนี่ยโหสงเคราะห์มากเลยนะกว่าจะได้ประสบความสําเร็จสงเคราะห์แม่ได้เพราะการตอบแทนบิดามารดานั้นทางาศาสนาเราคําสอนในศิกขาสามให้ความสําคัญมากนะนะศีลและสิกขาเนี่ยเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นมัน ศิขาคือการสง่งเคราะห์มารดาบิดาก็เป็นสิกขาเบื้องต้นนับเนื่องอยู่ในอาทิศีลศิกขามันผู้ใดที่ได้ทํากิจตอบแทนพระคุณของพ่อแม่อยู่แล้วก็มีความสุขปราบเพลื่มใช่ไหมส่วนหลายท่านไม่ได้ตอบแทนคุณก็ค่อนข้างไม่สะดวกใจนักแต่ว่าก็ควรสมาทานไว้จะต้องหาโอกาสหาเหตุหาปัใจจัยให้พร้อมที่จะ ก, กระทำนันะไม่นานมานี้ก็อาจารย์แดงก็ได้ทํากิจไปแล้วนะก็นุมโมทนาด้วยนะที่ได้มีโอกาสเลยนะ ก็เลี้ยงดูแม่จนแม่อายุ8ปดเกินี่ก็ได้บุญมากนะตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงดูพ่อแม่นะชีวิตยิ่งใครที่ยังเลี้ยงดูพ่อแม่ตอนพ่อแม่ไม่ค่อยสบายแล้วเลี้ยงดูอยู่นานโดยที่ไม่มีโทซะเนะนะี่ยนะก็โหเขาได้บุญมากนั้นวัด ต, ตะของคนนี้ไม่น่าเดือดร้อนแล้วเนี่ยนะนะชีวิตของคนนี้เชื่อเลยว่าไม่ตกอับแน่นอนชีวิตของเขาจะไม่อภัพเป็นแน่เพราะว่าเขาเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะนะ